ให้ม่ให้ง่วงเหงาหาวนเนมื่อกายนิ่งได้ยังจิตใจก็ทำจิตให้นิ่งต่อไปพระกุทธ เ, เจ้าทรงตรัสว่านัตติสันติป ร, รังสุขขังแปลว่าทุกขอื่นยิ่งไปกว่าความสงบไม่มี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 เกิดจากการกินอาหารอิ่มน้ำสำราญการได้นอนหลับสนิทสบายดีการมีเงินใช้สอยไม่ขัดสนมีเครื่องใช้ไม่สอยต่งตางๆครบตามกระบวนการของโลกสมัยปัจจุบัน ไอ้โมนี้มันก็เป็นความสุขชั่วคราวทั้งนั้นแหละบุคคลมาติดอยู่ในความสุขเหล่านี้แหละจึงพ้นจากทุกไปไม่ได้สุขเหล่านี้เป็นเหยื่อล่อให้ติดอยู่ในทุกดังนั้นพวกปฏิบัติธรรมทั้งหลายให้ซพ่งเข้าใจกัน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 มีสติสมปชยะเตือนใจหขาตนให้ตื่นตัวอยู่เสมอว่าความตายนั่นเน่มันไม่มีกำหนดหมายเลยหมดมันจะตายมาคุบปับมันเอาไปเลยก็มีชีวิตนี้เนี่มันฝากไว้กับความตายไม่เคยเป็นของเราอะไรจริงจัง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 เสมอเสมอจนว่าจิตใจมองเห็นสัตว์ทั้งหลายนี่นะออกเป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันไม่ควรที่จะไปเบียดเบียนมันหรือเขาจะเริญนเมตตาน่ะจนให้มองเห็นสัตว์ทั้งหลายเป็นอย่างว่านั่นเนี่ยแล้วมันก็จะได้งดเว้นจากการเบียดเบียนก็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 เพราะฉะนั้นเราเป็นชาวพุทธนะเพราะพระพเจ้าทรงแนะอุบายแนวทางคำจัดกิเลสบาปธรรมออกจากจิตใจอย่างนี้แล้วเราจะไปปล่อยให้วันเวลาล่วงไปเสียเปล่านมันก็ไม่สมควรเลยเพราะว่ากิเลสเหล่านั้นมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จริงๆ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 มันจะไปห้ามจิตใจตัวเองเวลามันอยากโกรธขึ้นมามันก็ปล่อยให้มันโกรธซะเต็มที่เช่นนี้แล้วมันจะให้กรรมเวรติดตามไปสนองให้เป็นทุกข์อย่างไรได้เล่าแต่ตัวเองไปสร้างกรรมสร้างเวรขึ้น ให้แกตัวเอง <c oughs> ดังนั้นน่ะจึงควรพินิศพิจารณาให้เห็นคุณอ น, นุภาพแห่งข้อปฏิบัติเหล่านี้ด้วยตนเองให้เห็นอนุภาพแห่งการภาวนา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 หาความสุขสบายไม่ได้เมื่อมีน้ำพันนี้หล่อเลี้ยงเข้าไปแล้วมีความสนุกสนาน ร, รื่นเริงบันเทิงใจดีหรือว่าได้ไปเล่นชู้กับเมียของคนอื่นหรือผัวคนอื่นโมนี่เห็นว่ามันเป็นเรื่องสนุกสนานที่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 กะรักชีวิตของตัวเองไม่อยากให้ใครมาเบียดเบียนเลยอย่าว่าจะตกตีเลยแม้จะด่าว่าโดวยวาจาก็เจ็บใจเต็มทีอยู่แล้วนี่แเพราะฉะนั้นผู้ใดไปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นก็จึงชื่อว่าเป็นผู้เอาเปรียบบุคคลอื่นและสัตว์อื่น เห็นว่าตนมีอำนาจเหนือเขาก็ทำได้ทำเอาเมื่อทีเขามาทำตนตนก็ไม่ปรารถนาจะให้เขาทำหาทางต่อสู้อ้หมู่นี้มันควรคิดควรพิจารณาให้รู้ให้เห็นการต่อสู้กันเบียดเบียนซึ่งกันและกัน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 เหตุในปัจจุบันต่างคนต่างไม่มีศีลไม่สำรวมกายวาจาพูดกระทบกระทั่งกันเข้าแสดงกิริยาหลับอยากหายต่อกันและกันประกอบกับกรรมเก่าที่ได้ทำมาแต่ก่อนนั่นเคยได้เบียดเบียนกันมาแล้วก็มาหนุนตรงให้มีความโกรธความมุยบาดขึ้นอย่างรุนแรงเนี่ยก็ได้ลงมือประหัดประหารกัน ใครดีก็ใครอยู่ใครไม่ดีก็าตายไปบางทีมันก็รอบกัดเอาโดยเจ้าตัวไม่รู้เลยอันมู่นนี้มันไม่ใช่ว่าอาศัยแต่เหตุปัจจุบันนะอาศัยเหตุในอดีต ท, ที่ล่วงแล้วมาแต่ก่อนผู้ที่ถูกเขาฆ่าตาย ผู้นั้นก็กคงไปฆ่าเขามาแต่ก่อนนะนั่นนะกรรมนั้นมันก็ติดต่อย่อยตามมามาถึงในชาตินี้มันถึงเวลามันให้ผลเวลาใดมันก็โดนบันดาลให้คนอื่นก็ามาฆ่าตัวเองตายเสียก็เป็นอยู่อย่างนี้หนึ่งบุคคลผู้ไม่มีสินนะ่ะไม่สำรวมในสินแล้ว มันก็มีการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน่แต่อยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้ายึางตรัสว่าอภยาปาชังสุขขังโลเคปานาภูเตสุสั ญ, ญโมความสำรวมในสัตว์คือความไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันเป็นสุขในโลกสุขฆาวิราคาตาโลเค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 บุคคลผู้ใดไม่เบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตอื่นนั้นผู้นั้นย่อมเป็นสุขสบายมากแม้ยังจะไปเกิดในภพด้อยภพใหญ่ต่อไปม่อก็ไม่มีกรรมชั่วเวีนชั่วติดตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปเกิดชาติใดก็มีอายุยืนยาวนานไปจนตลอดถึงอายุไหจึงค่อยตาย เพราะไม่มีกรรมชั่วมาตัดรอนชีวิตในระหว่างแอบุคคลผู้ภาคเพลี่ยนไม่ ย, ยา่มละความกำหนัดยินดีให้เบาบางออกไปจากคิตใจได้เท่าไรความไม่ผัวพันในกรรมเมื่อคุณหรือว่ากิเลสตะกรรมกิเลสตกรรมได้แก่เรื่องผัววเมียเมียนั่นแหละ การมาคุณทางอาได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสต่างๆพวกนี้ผู้ใดเอากายออกห่างเอาใจออกห่างเอาวาจาออกห่างได้ผู้นั้นเป็นสุขในโลกของพระศาสดาทรงกรดดไว้น ะ, ะก็เป็นความจริงนะจะไม่จริงอย่างไรอ่ะบุคคลผู้ ละราคะความกําหนัดยินดีได้โทสะก็ไม่เกิดโมหะความหลงก็ไม่เกิดเพราะความกําหนัดยินดีเนี่ยทําให้คนเราหลงมัวเมาไปในทางที่ผิดผิดธรรมทาให้เกิดการแย่งชิงกันโกรธกันประหัตประหานกัน โมนี้มันก็ร่วนแตกเกิดจากราคะความกำนัดยินดีนี่ทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ครองเรือนได้คนบรรเทาถึงละไม่ขาดหมดก็ให้มันบรรเทาวบาางลงอย่าให้ประพฤติผิดสินข้อที่สามก็แล้วกันก็ยังนับว่า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 แสดงบทมายาสาไยออกไปต่อเพศตรงกันข้ามภายนนจิตใจก็สำรวมระวังอย่าให้ความกำหนัดครอบงำจิตใจได้โดยมาพิจารณาเห็นร่างกายทุกข์กระเบียดนิ้วล้วนแต่เป็นของไม่มีอะไรสวยงามอาศัยหนังหุ้มหอยอยู่ท่านั้นเอง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 มันซึมซาบอยู่ในร่างกายทุกส่วนเนี่ยวันนี้ถ้าหากว่าผู้ใดเป็นโรคเลือดจางเข้าไปแล้วผิวพรรณก็ซู่ซีดไม่เปล่งปลังเลยกำลังวังชาในกอดลดน้อยถอยเบาบางไปผู้คนผู้เชนั้นอ่ะไม่น่าดูเลยไม่น่าปรารถนาน อย่างนี้แหละลงพิจารณาดูถ้าผู้ใดมาเพ่งพิจารณาร่างกายสังขาร ใ, ให้เห็นตามสภาพความจริงอย่างว่ามานี่ถ้าเป็นนักบวชก็คลายความกาหนดัดที่ดีออกไปเลยเรื่อยไม่ต้องการไม่ปรารถนามัน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 ชิ้นส่วนตรงไหนที่ว่าสวยงามหรือว่าเที่ยงย่างยืนไม่มีเลยเป็นนักบวชต้องบำรุงความรู้ความเห็นนักกล่าวมานี่เนะี่ยให้เกิดให้มีขึ้นในใจอยู่เสมอเสมอไปอย่าไปมองเห็นตามความนิยมสมมุติของชาวโลก ชาวโลกผู้ที่หมุกมุ่นอยู่ด้วยราคะตัณหามันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้นแหละว่ารูปนั่นสวยงามดีรูปนี้ขี้ไรเสียงนั้นไพเราะดีเสียงนี้ไม่ไพเราะอะไรทำนองเนี้ยมันก็เลือกคัดจัดสันกันไปอย่างนั้นตามครามนิยมสมมติของโลก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 ถ้าเป็นนักบวชเราจาเป็นต้องพิจารณาให้เข้าถึงความจริงอยู่อย่างนี้เสมอไปอย่าพิจารณาหเห็นว่าเป็นของสวยของงามอย่างนั้นมันเป็นการยั่วให้เกิดราคะสัญหามันไม่เหมาะสมกับเพศสมณมน่า มันเป็นคฤหัสมันจึงเหมาะสมแบบนั้นเน่ยเมื่อกำหนดสินดีมากดแสวงหามันไปไม่มีวินัยห้ามสอเยพรลพุวธไม่มีวินัยห้ามเลยแม้แต่คิดในใจก็ปรับอาบัติได้เช่นไปคิดสรรเสริญรูปร่างของเพศตรงกันข้ามว่า ตั้งแต่บัณเอวขึ้นไปนั่นตรงนั้นสวยตรงนี้งามอะไรต่ออะไรขึ้นมาเกิดความกำหนอยดีขึ้นปรับอาบัตุนลใจอ่ะต้งแต่บัณเอวลงไปปรับอาบัตุกดอืนเป็นังนะอย่าไปเข้าใจว่าอ า, อาบัตทางใจไม่มีมีโย เพราะฉะนั้นเราต้องรู้เราต้องเข้าใจความเป็นนักบวชของตนผู้เป็นคารืหัดก็เหมือนกันมันต้องนึกว่าเราเป็นบริษัทของพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเราต้องปฏิบัติตามวินยัยที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญตัติไว้นั้นอย่างเค่งครัด เราสิงจะพน้นจากนรกอบายภูมิเนี่ยก็ต้อสอนตนเข้าไปอย่างนี้ถ้าเป็นครือขัดปอดีไม่ใช่ว่าเป็นครือขัดแล้วเอจะทําอะไรก็ทําได้ไม่เหมือนนักบวชไม่ใช่อย่างนั้นนี้อมันต้องเลือกทอํามะเพราะว่าของในโลกอันนี้เนะี่ยลองสังเกตดูมีทั้งของดีมีทั้งของเลว น, นัไม่ใช่ว่าดีทั้งหมดไม่ใช่เลวทั้งหมดผลเปกันอยู่นั้นเลยทั้งสองอย่างเนี้อันนี้ทั้นใดก็อย่างนั้นเนี่ยความบระพฤติของคนเราเนี่ยมันมีใจเป็นประธานเท้าได้ใจเป็นอคุศนมันก็แสดงออกทางกายทางวาจา ไปในทางเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่เนี่ยว่าจิตเป็นอกุศลนั่นเป็นอย่างั้นคราวใดจิตเป็นกุศลเปลี่ยมไปด้วยเมตตากรุณามันก็แสดงออกซึ่งความช่วยเหลือเกื้อกูลแก่บุคคลอื่นและสัตว์อื่นอไม่เบียดเบียนนั่นมันเป็นอย่างนี้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 กำหนดละทิ้งไปเลยไม่คิดไม่พรุงแต่งมันต่อไปหรือว่าความคิดอันใดมันเป็นไปเพื่อความรักความใคร่ความโกรธความยาบัติต่างๆหมู่นี้นะเป็นความคิดที่เป็นอกุศลนะเราต้องพยายามกำหนดใจละเลื่อยไปแล้วก็ไม่สร้างมันขึ้นมาต่อไปอีก ความคิดอันใดซึ่งประกอบไปด้วยเมตตากรุณาคิดช่วยเหลือเกื้อผูนูด้วยผู้อื่นด้วยให้พ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารไม่คิดล้างผลาญเบียดเบียนใครแอ้อย่างนี้เป็นความคิดที่เป็นกุศลเดีอวคิดอีกอย่างหนึ่ง เป็นความดําำริที่ว่าทําะในหนอเราถึงจะพ้นจากอํานาจแห่งการ ม, มาตัญหาอันนี้ไปได้อทําะในหนอเราจึงจะพ้นจากลูกปัตัญหาต่างๆโมเนีะดำริเข้าไปเพราะรูป ก, กายอันนี้เนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงถ้าจิตยังผูกพันมันอยู่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 ก็มาอาศัยอยู่ในของไม่เพียงนี่แหละต้องเพ่งพิจารดูรูปกายอันนี้ให้จนเกิดนิพพธาความเมื่อไห้่ายบุคคลผูท้ที่ขาดความเชื่อความเลื่อมใสในธรรมะคำสอนของพระเทเจ้าไม่ควบคุมจิตใจไม่ทำความพอใจยินดีอยู่ในธรรมะ ไปยินดีอยู่ในทางอาธรรมสิ่งที่ไม่เป็นธรรมนั่นอย่างนี้นะมันก็ขาดจากกุศลคุณงามความดีสิบะนี้เหมือนอย่างสายว่าวมันขาดนั่นแหละเมื่อสายมันอยู่ข้างล่างมันขาดแล้วนี้มันก็ไม่มีอะไรจะมาดึงว่าวนั่นไว้ได้สุดแล้วจะลมมันจะพัดไปยังไงทางใดมันก็ไปทางนั้นนี่ว่าว ไอ้จิตใจคนเรานี่ก็เป็นเช่นนั้นแหละถ้าหากว่าไม่ฝึกให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นไม่สามารถจะสอนตนได้อย่างนี้นะชีวิตนี้มันก็ขาดจากความสุขความเจริญขาดจากปัญญายาณความรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้เราเกิดมาพบ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 เมื่อเป็นเช่นนี้แล้วชีวิตมันก็ยอมหมัวหมองอยู่ด้วยอุป ก, กิเลสกิเลสมันก็ยอมครอบงาเอามันไปนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอ่ะุทธทบบริษัทอย่าพากันประมาทเพราะชีวิตนิ้เน็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของแน่นอน เราจะอยู่โลกนี้ไปไม่ได้นานนี้เดี๋ยวก็ตายกันร่างกายนี้ก็ต้องกองอยู่พื้นแผ่นดินนี้ดวงกิดก็ไปตามยถากรรมสุดแล้วจะใครทำดีทำชั่วไปอย่างไรกรรมดีกรรมชั่วมันก็นำดวงกิดนี้ไปท่านผู้ใดละอาสวะกิเลสให้หมดสิ้นไปแล้วท่านผู้นั้นก็เข้าสู่พระนิพพานหรือท่านละกิเลส ให้ขาดไปได้โดยเอกเทศเมื่อดับคันบันไดแล้วท่านก็ไปเกิดในสุขติโลกสวรรค์ในตำราท่านกล่าวไวออ้ว่าพระโสดาบันนี่ชอบไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตทันที่คนมีบุญมากไปเกิดกันดังนั้นพระโสดาบันนี่ถือว่าเป็นผู้มีบุญมากทีเดีย ว, วะ เมื่อไปเกิดอยู่สวรรค์ท่านดูสิท่านก็เพียนพยายามบำเพ็ญ